เรานั่งมาสามนาทีกว่าๆดูใจออกไหมใจไม่เหมือนเดิมค่อยๆสว่างขึ้นค่อยๆสว่าง ใ, ใจเรามืดๆมัมวๆนั่งสบายทำความรู้สึกตัวไปอย่างสบายๆใจค่อยโปล่งขึ้นโปงขึ้นความมืดความมัวก็วามมววาหายไป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 อาวิชาก็ถูกทำลายไปเราไม่ต้องไปทำลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งตรงๆอย่างจิตมันมืดเงี้ยมันมืดหาทางแก้ดิ้นคลุกขลักคุกคลักหาทางแก้แก้ไม่ตกนะแล้วทำใจสบายใจสงบใจสบายใจก็สว่างขึ้นมากความมืดก็หายไปเองมันไม่มีอะไรที่ที่เที่ยง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 ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่งั้นเองถ้าดูไปจนมันหนึ่งใจมันยอมรับนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีดูไปถ้าอินทรีย์เราอ่อนมากเลยเรายัางแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นดูนานถ้าเราเริ่มแยกธาตุแยกขันธ์ได้ดูไม่นานละเริ่มนับถอยหลังได้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีบางคนเนาะหกวันหกเดือนหกปีอนะไรเนี่ย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 อย่างยุค ข, ของเรานี้นะถึงจะเก่งแค่ไหนนะอยู่ได้สองกับก็ร้อยห้าสิปีประมาณนั้นอย่างมากแต่ละวงก็สร้างบารมีนานเพราะว่าอยากได้ของพิเศษอย่างพระเอตทักคะทั้งหลายในเนี้ยสร้างบารมีประมาณแสนกลับแต่พระพุทธเจ้าปทุมมุตระพวกเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกพวกเราไม่ได้หวัง เป็นเอตทักคะเป็นอักขระสาวกของเราแค่เอาตัวรอดก็บุญนั่งหนาละบารมีพวกเราคงไม่เยอะถึงตกรุ่นมาอยู่จนป่านนี้พวกที่เขาบารมีเยอะเขาไปหมดละพวกเราบารมีอ่อนต้นทุนเราน้อยเราก็อย่าหวังว่ามันจะเร็วนักคนสมัยพุท ธ, ธกาลเขาเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเขา 7, 07, 07, บรรลุพระอรหันต์หรือพระอ น, นาคา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 วุ่นวายอยู่กับโลกอันไหนจะเยอะกว่ากันคนที่เจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ได้มีนับตัวได้เลยมีอย่างมากว่าเป็นหลักหมื่นเท่านั้นเองในหลายสิบล้านคนนะั้นเะฉะนั้นเราชาวพุทธเราเป็นคนส่วนน้อยมากเลยเพราะว่าพวกที่บารมีแก่กล้าเข้าไปมดแล้วละ่นะที่แก่กล้ามากเขาก็หลุดพ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล แกะกล้ารองลงมานะตอนนี้เขายังอยู่ในปรมมโลกในเทวโลกกันพวกเราพวกต่อแต่ต่อแต่ตแตมาตั้งแต่พุทธกาลนะมาวันนี้พวกเราค่อยแกะกล้าขึ้นหน่อยบางคนหัดแยกธาตุแยกขันได้นะแต่ก่อนหายากนะแต่ก่อนอย่าว่าแต่แยกธาตุแยกขันเลยเมื่อยี่สิบปีก่อนนะครูบาอาจารย์ยังมีอยู่เยอะนะแต่คนที่ภาวนา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 รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของมันถ้าเมื่อไหร่เราใจลอยไปใจลอยเนี่ยรู้กายรู้ใจไม่ได้ะไปเพ่งไว้กายก็นิ่งใจก็นิ่งก็ไม่เห็นความจริงของกายของใจแต่ดีกว่าใจลอยที่ไม่รู้กายรู้ใจเลยงั้นใจลอยไปหลงไปเลยนะี่จะไปทุคตินะพวกที่มาคอยควบคุมกายควบคุมใจไม่ให้มันทําชั่วเย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 ถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักไม่เพียรคือไม่จมไม่ลอยนั่นเองไม่ฟูไม่แฟบนั่นเองนะเราข้ามโอกค้าได้เพราะเราเป็นอย่างนี้แหละไม่ลอยขึ้นไม่จมลงเทวดาฟังนะบรรลุพระโสดาบันเลยะพวกเราก็ฟังเหมือนเทวดาแล้วบรรลุยังเห็นไหมบารมีไม่เท่าเขาเห็นไหมบารมีเขาเยอะกว่าเขาฟังพระพุทธเจ้าเรามาฟังหลวงพ่อประโมทท้ายแถวและ้ะ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 พยายามบังคับตัวเองนะอยากอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอ่างเงี้ยนะภาคเพียรแต่ทำไปโดยมุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบตั้งเป้าไว้ตัวนี้ตั้งเป้าไว้ตัวนี้แล้วภาคเพียรทำไปแล้วได้อะไรอย่างมากก็ได้ดีได้สุขได้สงบสิก็จะเอาดีเอาสุขเอาสงบนะแต่ดีไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงสงบไม่เที่ยง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 มันสงบมันก็สงบ อ, อยู่ไม่ได้จริงขอกมันยังถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดถ้าเมื่อไรเราเห็นขันห้านะตกอยู่ใต้ความจริงเห็นความจริงของรูปนามจิตจะคลายความยึดถือความยินดีในขนันห้าเมื่อจิตหมดความยึดถือหมดความยินดีในขันห้าเชื้อเกิดจะถูกทาลายไปนะจิตที่ยังเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นจิตที่ยังมีเชื้อเกิดอยู่เชื้อเกิดนี้มันก็เป็นเชื้อที่ยินดีในขันห้านั่นเอง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 สมูทยัยก็มีขึ้นมาพอมีสมูทยัยมีความอยากขึ้นมาเนี่ยจิตก็มีความดิ้นรนจิตที่มีความดิ้นรนอยู่ไม่มีความสงบสันติคือไม่มีนิพพานไม่เห็นนิพพานงั้นเราต้องมาล้างเชื้อเกิดในใจของเราล้างความหลงผิดในใจของเรานั่นเองล้างอาวิชชานั่นเองอยากล้างอาวิชชาได้นีมีสตินี้แหละ